วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามพระในวัดของเราวันนี้พระสามสิบนาคยี่สิบเจ็ดพระขาวหนึ่งนาคที่จะบวชที่พวกเราทั้งหลายเห็นใส่ชุดขาวนี่ก็คื อ, คอนาคนาคหลวงนาคจะบวชเพื่อเป็น ถวายเป็นพระราสุขุสลในหลวงวันที่ห้าธันวาแต่แต่นาคทั้งหมดนี่ที่เข้ามาในยีสหนาคแต่เป็นนาคของหลวงพ่ออีกสองแต่ก็คงจะบวชในานามของเป็นงานถวายพระราสุขสุสรเหมือนกันรวมแล้ว28สนาคที่จะบวชวันที่สองธันวาห้าสาม นาคเหล่านี้ก็คือเป็นนาคทางจังหวัดท่านหัวหน้าท่านพิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรแล้วก็ทางผู้ว่าทางหน่วยรัชการรวมกันที่มาบวชที่เป็นนาคคือเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีแล้วก็พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ใครสมัครใจเห็นที่จะเข้ามาบวช ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงวันที่5ธันวาพุทธศักราช2553เป็นการถวายในเมื่อในหลวงอายุครบ83พระพัรษาปีหน้าก็84 12 7 7รอบปีนี้83ในหลวงลหลวงพ่อก็ได้เป็น คือแคว่าทางจังหวัดได้มอบมอบให้หลวงพ่อหาอัถบริขารของนาคของพระไม่หลวงพ่อก็รับเป็นเจ้าภาพหาอัฐบริขารแล้วก็ฝึกซ้อมขานนาคให้พร้อมแล้วก็วันที่สองก็คงจะไปบวชที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีของเราก็มีท่านเจ้าคุณปู่จะเป็นประธานในการบวช จากนั้นก็คือเจ้าคณะจังหวัดอุดรเป็นพระอุปชาในเมื่อบวชแล้วกระสุดแท้แต่ผู้ที่บวชคือบวชในคราวนี้ก็คือบวชหนึ่งเดือนเมื่อบวชเสร็จแล้วก็คงจะกลับมาที่วัดป่านาคำน้อยอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็จะได้แยกย้ายไปณสถานที่ต่างๆตามที่ทางจังหวัด หรือว่าตามที่ผู้บวชเข้ามาเนี่ยต้องการอยากจะไปที่ไหนตามแต่ถึงจะอยากจะไปที่ไหนก็ต้องอยู่ในกรอบของทางจังหวัดหรือว่าทางพิภากษาของหัวหน้าศาลหรือว่าทางจังหวัดกําหนดให้วัดไหนจะให้พระนวกะไปอยู่ท่านก็มีพูดพูดไว้อยู่หลายๆวัดอยู่สุดแท้แต่พระใหม่หเมื่อบวชแล้วก็จะไป อยกย้ายกันไปจำพรรษาหรือไปจาอยู่วัดไหนก็ได้แต่ท่านให้บวชหนึ่งเดือนแต่ขณะนี้ก็เข้ามาฝึกซ้อมมาฝึกขา น, นาคตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบห้าอีกไม่กี่วันก็คงจะได้บวชละแต่ว่าการฝึกขา น, นาคหลวงพ่อก็ได้ถามาพระผีเลี้ยงว่าการฝึกขา น, นาคเนี่ยเป็นยังไง ที่มาหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะหลายวิชาอาชีพมีทั้งข้าราชการมีทั้งพอข้าประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เขามาบวชในค ร, ครั้งนี้คือความสมัครสบายสมัครเข้ามาบวชเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลในหลวงหลวงพ่อเป็นความคิดหรือว่าเป็นความจงรักภักดีของคณะ ลูกหลานที่เขามาบวชในคราวนี้ด้ยวยความตั้ง อ, อกตั้งใจจงใจหลวงพ่อเองกับจินดีที่จะเป็นเจ้าภาพหาอัฐบริขารให้แล้วก็พร้อมที่จะฝึกขานนาคให้พร้อมที่จะฝึกกฎระเบียบให้แก่พวกนาคทั้งหลายให้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วก็พร้อมกันตั้งฝ่ายพระเองหลวงพ่อก็พยายาม หลวงพ่อก็บอกพระว่าให้ช่วยๆกันจัดอาถรรพบริขารแต่ก่อนหน้านี้ก่อนได้เตรียมไว้พอสมควรแล้วพอเมื่อทราบว่านาคจะเข้ามาหลวงพ่อก็ได้เตรียมบริขารไว้น่าจะเพียงพอไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าแต่ถึงอย่างไรอย่างไรก็ถ้าหากขาดตกบกพร่องคิดว่าพระในวัดของหลวงพ่อเนี่ยก็สามสิบองค์คงจะเป็นหูเป็นตาคงจะ ช่วยกันได้คงจะไม่หนักหนาพูดสรุปแล้วหลวงพ่อจึงได้รับเป็นภาระในงานนี้คิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลได้ช่วยเหลือพี่น้องลูกหลานประเทศชาติบ้านเมืองในส่วนหนึ่งคือแบ่งเบาภาระไปส่วนหนึ่งของจังหวัดเหมือนกันและก็ขอให้พวกนาคทั้งหลายที่เขามาบวชในครั้งนี้ก็ให้ทั้งอกตั้งใจ ให้เป็นกุศลจริงๆเพียงเดือนเดียวถ้าเราทำความดีเพียงเดือนเดียวไม่ได้แสดงว่าให้มองตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นยังไงเราจะเลวขนาดไหนหรื อ, อยังไงให้ถามตัวเองนะถ้าคนอื่นถามเดี๋ยวเราจะโมโหให้เขาให้พวกเราถามตัวเองว่าข้าพเจ้าทำความดีไม่ได้เพียงเดือนเดียวข้าพเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรให้ถามตัวเอง ทำไมครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้ง30องค์มาอยู่ที่วัดนี้ท่านจึงอยู่ได้ไม่ใช่แต่จะเพราะพระสงฆ์ในประเทศไทยเท่านั้นพระอินโดนีเซียก็ยังมีชีอินโดนีเซียก็มีและต่างประเทศก็เคยมาอยู่และก็พระที่มาอยู่นี่กัต่างจังหวัดอีกต่างหากทั้งกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดก็มีมาอยู่นี่แต่เราเข้ามาแล้วทาไม สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกนาคทั้งหลายมีความให้ถามตูวตนเองแล้วก็ให้ฝึกฝนตนเองให้เข้มแข็งนะหลวงพ่อไม่ต้องการคนอ่อนแอปวกเปียกไม่เอาไหนหลวงพ่อไม่ต้องการหลวงพ่อต้องการความเข้มแข็งเพราะเหตุไรพ่อหลวงพ่อเองเนี่ยบวชเป็นสัมเอ็นตั้งแต่แตอายุสิบเอ็ดสบสอปีฝึกอยู่กับครูบายอาจารย์อยู่ในป่าโรงพงไพ่ยิ่งกว่านี้อีก ห่างไกลจากความเจริญหลวงพ่อฝึกมาอย่างเข้มแข็งพูดง่ายๆเป็นพระปามาโดยตลอดเพราะนั้นเห็นลูกหลานผู้ที่จะเข้ามาบวชอ่ อ, อนปกุกปุกเปียกๆเลยหลวงพ่อจะต้องไขาลานอนอยว่างั้นเอย่านะอย่าอ่อนแอนะพวกเราจะเดินต่อไปภายภาคหน้ายังยาวไกลพวกเราจะต้วมเทียมงองแงอยู่อย่างนี้ได้เหรอ พวกเราต้องพร้อมที่จะเดินพร้อมที่จะก้าวพร้อมที่จะพึ่งตนเองอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้แต่ขณะเรายังพึ่งเราไม่ได้และจะไปพึ่งใครเพราะฉะนั้นต้องพึ่งตัวเองต้องพึ่งลําแข้งตัวเองต้องพึ่งสติปัญญาของตัวเองต้องพึ่งความแข็งแกร่งของตนเอง อมันจึงจะถูกในเมื่อเราพึ่งตนเองได้แล้วคนอื่นเขาเป็นที่พึ่งเออันดับต่อไปแต่ขณะตัวเองยังเป็นที่พึ่งของตนเองยังไม่ได้เราจะไปอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเขาอถ้าไปหวังพึ่งคนอื่นเขาก็เหมือนเหมือนกับคนไร้วิญญาณอย่างนั้นคนตายนะคนไร้วิญญาณคนตายแล้วไปพึ่งคนอื่นเขาก็หนักท้านนี่เพราะตัวเองไม่พยุงตัวเลยเอไปที่ไหนคนนั้นแบกอย่างหนักเออ เขาว่าแบกคนเป็นกับแบกคนตายเนี่ต่างกันเด้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแบกคนที่ไม่ตั้งใจกับแบกแบกคนที่ตั้งใจมันต่างกันถ้าว่าคนที่ตั้งใจมีอยู่แล้วเนี่ยถ้าประยุก์ขึ้นไปมันก็เบาแต่คนไม่ตั้งใจเนี่ยปล่อยให้คนอื่นแบกอยู่ตลอดเนี่ยหนักเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราต้องพึ่งตนเองเราต้องช่วยมีหูเป็นตาอมีใจคิดสิ่งเหล่านี้อ ครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระพีเลี้ยงท่านบอกว่าต้องฝึกซ้อมให้ได้นะหนากนะเราก็ต้องฝึกซ้อมให้ได้ต้องพยายามฝืนต้องพยายามสู้ต้องพยายามอดทนเขายังทำได้เราต้องทำได้แมมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเราต้องสู้ถ้าเราไม่พึ่งตนเองแล้ว เ, เราจะพึ่งใครจะให้คนอื่นจำเอซาหังแทนเราได้เหรอจำไม่ได้ทาอย่างนั้นไม่ได้เราออกกาลังกายเราก็ได้กาลังเอง เราเรียนหนังสือเรากไ็ได้ความรู้เองเราทานอาหารเราก็อิ่มเองไบางเิ่งบางอย่างเราช่วยกันได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันช่วยกันไม่ได้เหมือนกับเรียนหนังสือถ้ า, ร ars, เ, าเรียนหนังสือเอาเรียนหนังสือแทนผมเลยนะเราได้จะได้จะได้ความรู้เขาเรียนเขาก็ได้ความรู้เขาออกกำลังกายเขาก็ได้ได้กำลังกายถ้าเราไม่ออกกำลังกายเราจะได้กําลังอย่างไง เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้นาคทั้งหลายนะที่เขามาบวชที่วัดหลวงพ่อให้เข้มแข็งสรุปแล้วอย่าไปอ่อนแอปวกเปียกสิ่งไหนที่พระพีเลี้ยงแนะนำสั่งสอนให้ทำให้ได้เอสาหังถ้าเราไม่ได้ต่จับกลุ่มกันสองสามองค์แล้วองค์ไหนที่ได้แล้วนะอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการศึกษาดีแล้วสอนสอนพวกน้องๆ หรือสอนพูดที่ยังไม่ได้ให้ใส่ใจช่วยกันนะหลวงพ่อไม่ใช่ว่าสอนให้จบแล้วก็จบไปไม่ใช่นะให้พวกท่านทั้งหลายเนะี่ยพวกนาคทั้งหลายเนะี่ยช่วยกันสอนกันอย่างเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนกันนาคที่เข้ามาบวชท่องหนังสือไม่ได้ท่องยังไงก็ไม่ได้ไม่จำนี่ก็มีอาจารย์มหาวิทยาลัยทางเชียงใหม่แม่โจ้ท่านเป็นภาระเป็นผู้สอนให้สอนให้ก็จาได้คือสรุปแล้วก็คือ ผู้ที่เข้ามาเรียนน่ะความรู้ความฉลาดความสามารถมันต่างกันไม่รู้จะจับจุดไหนในการเรียนการจำน่ะผู้ที่ได้รับการศึกษามาแล้วก็รู้แ่ะเอ อ, เ, อ, อเวลาเราจะว่าเอ อ, เ อ, อตัวนี้นะเราต้องกำหนดใส่ตัวนั้นนะำนกำหนดกาหนดจะคนนั้นนะกำหนดใส่เรื่องนี้นะให้จำไปใส่เรื่องนั้นเรื่องนี้โยงกันนะเนี่ยตอนนี้พอจับประเด็นได้เนะี่ยมันก็ท่องได้เยเออ ไม่ไพราเราฝึกได้แต่ถ้าว่าเราไม่มีไม่มีครูฝึกนะเรามีแต่ท่องท่อไปธรรมดากันเมื่อก็อ่านหนังสืออ่านแล้วกระจบอ่านแล้วก็จบอ่านแล้วก็จบไม่รู้จะเอาจุดไหนมาจำํำแต่ถ้าว่ามีครูฝึกนะมีผู้แนะนำเอี่ยสมว่าเอสาเนี่ยเอคืออะไรคือชื่อในเอมีไหมเอกับตาสาเนี่ยล้วก็จําชื่อตาเอกคาสะ ใส่กันอย่างนั้นแหะจากนั้นก็เราก็ผสมผสานกันเข้าไปตัวไหนมันจําได้เพราะเราคิดไปเถอะก็จําได้เราก็ท่องได้ผสมผสานกันเนะ่เพราะฉะนั้นการฝึกหรือว่าการแนะนําต้องอาศัยครูพอสมควรเหมือนกันนะบางครั้งนะเว้นเสียทัพู้ที่มีสติปัญญาอัจฉริยะก็ไม่ต้องบอกให้ละเอียดนะพอสอนบอกกล่าวแล้วก็ทั้งก็จับรู้จักวิธีการเลยนะ แต่ตบางครั้งอ่ะโอ้มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะการท่องนะแต่ถ้าทําจริงก็ไม่เหลือวิสัยไม่เหลือวิสัยถ้ามีผู้แนะนําแล้วก็จําได้ถึงอย่างไงก็ขอให้หนาคทั้งหลายที่เข้ามาจะบวชนะให้ตั้งอกตั้งใจนะนะั่นแหะให้มีความมุ่งมัน่นมีความไม่พยายามบางทีก็เรามาอยู่นะต่างสถานที่ทางว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบาย ก็บอกคูบาพระผีเลี้ยงก็มีอยู่แล้วโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆเรามีอยู่แล้วโรงพยาบาลนายุงนะแต่ว่าอย่าทะเลถลายเท่านั้นอ่ะต้องอยู่ในกฎกระเบียบนะเหมือนกับเราเป็นทหารเราเข้าไปเป็นทหารเราก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของทหารเรามาอยู่วัดเราจะทะเลถ่ลออกไม่ได้นะถ้าออกไปแล้วหลวงพ่อเนี่ยไม่รับนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยมันได้เกรงใจใครทั้งหมดนะถ้าทําไม่ถูก ตามหลักพระธรรมวินัยแล้วหลวงพ่อจะไม่รับหลวงพ่อไม่ได้รับเงินรับเงินเดือนที่จะมารับคนไม่ดีไว้ในวัดนะถ้าคนไม่ดีหลวงพ่อไม่รับรับแต่คนดีฮพระก็พระดีในวัดของหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจหลวงพ่อจิกจะรับให้เป็นพระอยู่ในวัดถ้าหลวงพ่อไม่ดีหลวงพ่อก็จะหนีจากวัดเองฮะเพราะเหตุไรแกอ เพราะวัดพระพุทธศาสนาเป็นวัดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วัดของหลวงพอ่อไม่ใช่วัดของผู้หนึ่งผู้ใดวัดนี้ต้องการรับคนดีคนมีคุณภาพ ค, คุณคมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในระเบียบถ้าอยู่ในกฎระเบียบพระพุทธเจ้าท่านรับว่าสากยบุตรพุทธชินนรสเป็นลูกของเราตถาคตทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านยึงรับ พวกเราท่านทั้งหลายแต่ศีตาสาลูกตาศีตา ส, สาเตมีตมาเป็นลูกของท่านทําไมท่านต้องการคนดีต้องการผู้ปฏิบัติ ด, ดีต้องผู้ต้องการเป็นคนที่จงรักภักดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นลูกของพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าคนไม่ดีแล้วพระพุทธเจ้าไม่รับ ในเมื่อพ่อขุเทีเจ้าไม่รับหลวงพ่ออินจะรับได้ยังไงหลวงพ่ออินก็ต้องไม่รับอีกเหมือนกันรับคนไม่ดีฮะรับได้ยังไงเหมือนกับคนไร้ปัญญาอย่างที่หลวงพ่อพูดนะเอ่อตาแบกไปคนหนักขามไปคนหนักยกไปคนหนักเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่พยุงตัวเลยฮถ้าเขาพยุงตัวอยู่เขาพยายามอยู่พยายามช่วยตนเองอยู่เราเข้าไปพยุงก็มันก็ไม่หนักนะตาบอกเขาไม่พยุงตัวเลยปล่อยให้เราแบกคนเดียวเนะ่ะมีอะไรก่อน อมีแต่ออกไปนอกลู่นอกทางอยู่เลยไมีเดบดูกันอยู่เลยมันหนักนะถ้ามันหนักอย่างนั้นหลวงพ่อไม่เอานะอขอฝากไว้กับทุกทคนเลยนะทั้งักนาคทั้งพระเอทุกคนอย่างนั้นที่หลวงพ่อพูดทางนี้ท้งนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งผูกได้ยินทุกคนน่ะแหลต้องเป็นคนดีต้องมีศีลธรรมต้องมีจริยธรรมที่ดีะ แล้วก็การช่วยกันจัดอัฐบริขารก็เป็นหน้าที่ของพระเก่านะจะ ช, ช่วยกันไม่ให้หนักใจอีกเหมือนกันทางบริขารไม่พร้อมไม่ต้องหนักใจวุ่นนะเราหลวงพ่อพูดจนน้ําไหลไฟดับพลังวันเห็นไหมไม่ใช่ธรรมดานะเอารับพรเถอ น, นอนุโมทนาให้พร